เรื่องที่18เจ้านายไม่รู้ตัวจะช่วยแก้นิสัยอย่างไรดีพูดคุยกับพระนวกะในพรรษา28ตุลาคมพุทธศักราช2553ัรอกัาบขออกาสพระเดชพระคุณถามแต่ว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับ ในองค์กรในที่ทํางานนะครั บ, รบก็ในที่องค์กรเนี่ยเคยมีการทําสํารวจคนที่ลาออกแล้วก็คล้ายๆกับว่าเรียกมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยครับแล้วก็ <c oughs> ได้ได้ความว่าเกินครึ่งหนึ่งของคนที่ลาออกไปนะครับเป็นเพราะว่าหัวหน้าหน่วยงานคือในในใจลึกๆแล้วเขาบอกว่าเป็นเพราะหัวหน้าหน่วยงานแต่ว่าก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าหัวหน้าหน่วยงานไปทําอะไรให้กับตัวลูกน้องอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เขาก็เลยลาออก นะครับผม oh. ก็เลยอยากจะถามว่าในฐานะที่หนึ่งผมก็เป็นลูกน้องว่าเอ๊ะควรจะทำยังไงถ้าเจอกับหัวหน้าแบบนี้ mm hmm. สอง mm hmm. ก็คือถ้าเกิดว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลหัวหน้าอีกทีหนึ่งก็อาจจะเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ย mm hmm. ควรจะทำยังไงที่จะดึงให้หัวหน้ารู้ตัวแล้วก็หันกลับมาทำประพฤติพฤติกรรมใหม่ที่ไม่ไม่ให้มีปัญหานั้น mm hmm. เกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็ อ่าก็กว้างก็คงจะสองคำถามนี้ก่อนแล้วกันครับร ท, ทุกคนตัวประเด็นมีสองเลยนะหนึ่งอ้าวย้ำสิกทีหนึ่งเอาสอั้นสรสรุปว่าประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สองประเด็นที่หนึ่งก็คืออา่าจะจะทํายังไงที่ให้คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยครับหันกลับมาประพฤติพฤติกรรมที่ดีที่ไม่ให้มีการลาออกเ น, อเนื่องจากที่ลูกน้องตหัวหน้าครับ ก็คือถ้าเราเป็นลูกน้องแล้วเราเจอคนหน้าแบบนี้เราจะทําไรเราจะทำเนาและได้ความฝ่ายคนหน้ากับฝ่ายลูกน้องก็อันี้มันก็มองได้สองอย่างคือระยะสั้นกับระยะยาวการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องระยะยาวรวมทั้งระยะยาวของสังคมประเทศชาติด้วยเฉพาะหน้านี้ก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนนั้นเขาก็สะสม ขอเขามาอย่างนั้นทางพระเขาเรียกว่าวาสนานวาสนาเนี่ยมันก็คือว่าการสะสมอบรมของแต่ละคนจนกระทั่งเกิดสภาพจิตพฤติกรรมที่เคยชินเวลาคิดอะไรก็คิดอย่างนั้นเรียกว่าวาสนาแล้วก็เวลาทําอะไรก็ทําแบบนั้ น, นชินแล้วก็วาสนานี่แก้ยากที่สุดนะ ว่ามันจะลงตัวมันก็ว่าวาสนานั้นลงตัวสำหรับคนนั้นไปแล้วแม้แต่ให้เขารู้ตัวอย่างยากเต็มทีก็ถึงได้มีวิธีการต่างๆที่จัดฝึกอบรมอะไรต่างๆ่ะเหล่านี้ก็เพื่อจัดมาช่วยคือเตือนสติบางทีเตือนโดยตรงก็ไม่ได้แล้วลูกน้องอย่าไปเตือนก็ไม่ได้กลายไปยิ่งขัดแย้งหนักขึ้ไปอีกนี่มันก็มีว่ามันต้องมีระบบ ม, มีระบบมาช่วยสร้างระบบในหน่วยงานในองค์กร ที่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นวงจรช่วยไม่ให้มันตันให้มันมีทางไหลเวียนไม่ใช่ว่าไปติดอยู่ที่เดียวนี่จะทำงานให้วนขึ้นวนลงได้นะีน้ตอนนี้เราจะไปติดทางนี้อ่าวทาไงเราจะวนทางนี้ให้แอคทางนี้มาลงนี้ได้เนี่ยนะเช่นว่ามีผู้ที่อยู่ในสถานะ ตำแหน่งที่สูงกว่าเหนือกว่าหรือว่าเกือบเสมอกันอะไรเนี่ยมาเป็นผู้พูดแทนแทนที่เราจะพูดเอง <c oughs> อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งจะสร้างได้ไหมระบบอันเนี้ย <c oughs> นี่ก็เป็นอันหนึ่งนะเพราะถ้าอยู่อย่างนี้มันก็ตันกันอย่างเงี้ยติดขัดไม่รู้จะพูดยังไงอนี้เมื่อกั้อีกอย่างก็คือก็เป็นเรื่องของตัว ผู้ที่อยู่ใต้บัคับบัญชานี้ต้องมีความสามารถมีความจะเรียกฉลาดในการที่ว่าจะให้สติโดยไม่ใช้วิธีตรงตรงเนะ่คือให้รู้ตัวโดยทางอ้อมก็ยังเรื่องการจัดอบรมนี่ก็อันหนึ่งคืออย่างที่ใช้มาก็มีมาแต่โบราณแล้ว ที่อย่างพระพุทธเจ้าตัดเล่านิทานเรื่องชา ด, ดกชาดกเลยเนี่ยก็มาเตือนสติอย่างคนที่เป็นพระราชาไงใช่ใครจะไปเตือนล่ะใช่ไหมเออใช่ไหมเขาก็ใช้วิธีเนี่ยเออาตัวตลกบางอะไรบางตัวตลกนี่เขาก็เอาไว้มาพูดจาเป็นเล่นเป็นอะไรแต่อะไรเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเช่นให้พระราชารุดตัวในเรื่องนั้น ไม่รู้จะพูดยังไงอื่นให้รู้โดยไหนแล้วก็พอดูเรื่องเห็นการแสดงหรือคำพูดคำจาเขาไปแล้วมันโยงมาหาตัวเองได้นแต่ว่าไม่ให้รู้สึกว่าเตือนหรือบอกหรือสอนต้องใช้วิธีนี้นี่ก็แบบหนึ่งนะเล่านิทานก็จะเป็นแบบนี้เยอะความมุ่งหมายเพื่อจะให้ได้คิดได้สตินี่ก็เป็นทางหนึ่ง ทีนี้การจัดอบรมอะไรต่าง ๆ, ๆนี่ก็เหมือนกันก็คือให้ผู้ใหญ่ผู้น้อยก็เข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มีจุดปรารถอาจจะมีคณะเล็กๆที่รู้กันแล้วก็นะีว่าปรึกษาหรือกันว่าเออเราต้องการจะแก้จุดนี้เนะี่ยที่คนนี้แล้วเราจะทํำยังไงจะมีใครที่มาพูดเรื่องอย่างนี้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนในเนะียมาพูดใน แง่นี้แล้วก็ถ้าสนิทกันก็อาจจะให้รู้ปัญหาของที่เขาตัวเองแล้วเขาก็มาพูดโดยที่ไม่ได้มาเจาะจงอะไรละอพูดแล้วก็โยงไปหาให้ได้ความคิดนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเนีนเ<ล>ก็เป็นวิธีที่ใช้กันมาเรื่ลยตลอด <MO. S 2> คือไม่สามารถจะบอกตรงๆได้ก็เอานึกถึงพระราชากันละกันว่าตอนนี้เราต้องเก่งขนาดเตือนพระราชาให้ได้ลองดูนะ ไหวไหมสมัยก่อนในหัวขาดใช่ไหมโดนไล่ออกไห <c oughs> นโดนไล่ออกครับสมัยนี้สมัยนี้เนี่ยยังเบาอ่ะเนี่สมัยก่อนเขายังเตือนเลยเนีโดยใช้วิธีเนี่ยตลกหลวงเขาก็มีหน้าที่ในเดิมเหมือนกันให้มีตลกหลวงเขามีมันก็ประจําเลยเหมือนกันตลกหลวงตลกหลวงก็ที่ฉลาดก็จะมา ทำให้พระเจ้าเวดินเนี่ยได้สติอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเนี่เอ่อนี่ก็เป็นเรื่องของหัวหน้าแต่ก็เป็นเรื่องของลูกน้องโดยตรงทีนี้ลูกน้องนี่ก็วิธีปฏิบัติตัวมันก็อันหนึ่งก็คือให้มีความเป็นมิตรมีความปรารถนาดีสร้างความรู้สึกเป็นบรรยากาศไว้ไมาให้รู้สึกว่ามีความเป็นปฏิปักษ์เราไม่ได้ตั้งใจ เป็นอะไรความรู้สึกที่ไม่ดีไม่งามหรือว่าตั้งใจคิดไม่ดีอะไรทางนั้นแหละถ้าคิดดีต่อการเป็นวิถีต่อกันนะฮะทีนี้ก็บางอย่างเนี่ยนถ้าไว้ใจกันสนิทดีเนี่ยบางครั้งก็ไม่จะเป็นต้องตามใจนะก็พอไว้ใจถึงจุดหนึ่งก็บางอย่างก็เราก็อาจจะมีการพูดแต่ไม่ใช่พูดตรงตรงเว่าเอออันนี้ถ้าทําอย่างงน้น จะได้ไหมครับอะไรทั้งนี้อะไรเงี้ยนะฮะ mm hmm. เออผมนึกขึ้นมามีไอ อ, อันนี้ก็ได้เคยทํามาหรือว่าคนนั้นทํามาทีนี้เขาเคยทําอันนี้ก็มีอะไรเงี้ยกันเลยว่าเ อ, อ๊ะถ้าจะเอาอันนี้ลองดูบ้างเป็นยังไงเน mm ีค hmm. ลายๆให้มีทางเลือกมีการเสนอทางเลือกอย่างอื่นมาร่วมกันพิจรารณา ทีนี้ถ้าแกมีนิสัยไม่ประเด็จการทีเดียวก็ยังพูดกันง่ายขึ้นนะแต่บางคนนี่จะมีนิสัยประเด็จการจะต้องสั่งยังไงก็ต้องอย่างนั้นนีอันนี้ก็ยากหน่อยนีก็มีแต่ว่าพวกนี้อาจจะต้องใช้วิธีว่าทํายังไงจะชะลอให้ช้าลงนีแล้วก็หาวิธีที่จะมืแก้ถ้ามันเป็นเรื่องร้ายจริงๆทําไปแล้วเสียเนี่ยต้องหาทางชะลอไว้ เป็นเรื่องที่ประสบปัญหากันมากมายอ่ลองหาแง่มุมดูสิคือตอนนี้ก็ยังนึกอะไรไม่ออกมากนี่พูดระยะสั้นนะทีนี้ระยะยาวเนี่ยมันทำให้เห็นปัญหาของสังคมทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาการเตรียมคุณภาพพลเมืองของเรานี่ไม่ดีพอว่า ง, งั้นเถอะนะฮะทำให้คนที่ จะเริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานต่างๆก็ปฏิบัติไม่ได้ผลดีเนี่ยถ้าเราสร้างพลเมืองมาดีมีความพร้อมเนี่ยทั้งหากด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อันนี้ก็เรื่องแรกเลยเนี่ยการศึกษาก็ต้องมาพัฒนาความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอยู่ร่วมกันอย่างไรอย่างเรื่องอะเรามาเน้น การปกครองประชาธิปไตยให้เป็นสังคมประชาธิปไตยเสร็จแล้วมันก็การศึกษาไม่ได้ผลตามที่ว่าใช่ไหมเนี่ยนี่ก็คือมันไม่เป็นสังคมประชาธิปไตยมันบอกนะสังคมประชาธิปไตยมันก็ต้องพูด ก, กันได้และก็ต้องมีจิตใจพร้อมนี่ก็นอกจากว่าพร้อมที่อยู่สังคมก็คือพัฒนาตัวจิตใจของคนนั้นเองจิตใจของเขาที่ มีคุณธรรมมีความดีนะี่แล้วก็เช่นว่าไม่เอาแต่ใจตัวเองนะี่มีความรับผิดชอบมีความมุ่งหมายที่จะสร้างสารรค์เพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมประเทศชาตินะีไม่มุ่งที่ประโยชน์ของตัวเองไม่มุ่งผลได้กับตัวเองทั้งผลประโยชน์ก็ตามหรือความยิ่งใหญ่ของตัวเองหรือเอาแต่ใจตัวเองสามตัวตฐ า, มานมรณาธิทีเนี่ยเนะี่ยก็ มันต้องเบาลงคือมันต้องวุ่งไปที่ประโยชน์ส่วนรวมเพราะประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่มันก็ต้องเห็นแก่ส่วนใหญ่ใช่ไนี่เราก็ยังไม่ได้พัฒนาให้เป็นไปนอย่างนี้เพราะนั้นมันก็เป็นเครื่องสอ น, น, นแสดงว่าการศึกษายังไม่ได้ผลดีไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยแต่ชื่อแต่รูปแบบแต่ว่าเนื้อหาสาระยังไม่เป็นประชาธิปไตยจริง ในระยะยาวก็ต้องมาให้เตือนกันเรื่องนี้เรื่องว่ามาพัฒนามนุษย์พัฒนาคนด้วยการศึกษาให้ดีในในเมื่อการศึกษาในระบบมันยังไม่ได้ทําให้ดีพอก็ต้องมาให้การศึกษาต่อในองค์กรเพราะฉะนั้นองค์กรเองก็ต้องมองในแง่เป็นหน่วยงานที่ให้การศึกษาด้วยเราก็จะต้องมองในแง่นี้คือไม่ใช่จัดทําแต่งานนะต้องมีการศึกษาไปด้วยเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิตไม่รู้จักจบ แล้วก็ไอเรื่องของจา ก, การจัดอบรมแล้วก็เป็นเรื่องที่ไปกิจกรรมเป็นคราวๆแต่ที่มีได้เรื่อยก็คือหน่วยงานนั้นจะต้องมีการประชุมนึงนิดตามภาษาพระทีนี้มีการประชุมบ่อยไหมก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานไหนเนี่ยเขาจะทำกันมากกันน้อยขนาดไหนบางหน่วยงานก็ เรียกว่าไม่มีประชุมกันเลย<ม> บ, าบางหน่วยงานก็มีอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นแล้วแต่หน่วยงานเพราะว่าที่ส่วนกลางเขาไม่ได้มีระบุออกมาเลยว่าในหน่วยงานของคุณจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเรามีทางเสนอไหมเพราะอันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาอันหนึ่ ง, องอจจเสนอไปที่ศูนย์กลางที่จะจัดการหรือว่าบัญชาการให้เกิดอันนี้ขึ้นมาเพราะการประชุมนี้ก็เป็นวิธีหนึ่ง คือการแก้ปัญหาทั่วไปหมดแหละให้มีการประชุมกันเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยในเวลาเท่านั้นหนึ่งครั้งอะไรเนี่ยจะเป็นเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งหรืออะไรก็ว่าไปแต่ต้องให้มีแล้วทีนี้ก็ฝึกคนด้วยการประชุมนการประชุมนี้มันก็เป็นวิธีออกอย่างหนึ่งก็ในการแก้ปัญหาถ้าเราไปประชุมแบบอบรมอะไรอย่างนั้นบางทีมันไม่ได้บ่อยๆทีนี้การประชุมนี่ มันเป็นเรื่องของหน่วยงานนั่นเองและกาในองค์กรก็มาร่วมประชุมด้วยกันหน่วยเลเ็กยนใหญ่ก็แล้วแต่ทีนี้ก็ให้สร้างไอ้นี่ยสร้างนิสัยในการประชุมแล้วฝึกคนในการประชุมเนี่ยจะได้มีการรับฟังกันแล้วก็รู้ปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ ย, ยหัวหน้างานก็จะต้องฝึกเขาเองเขาจะถูกฝึกในการประชุมเนี่ย ให้รู้จักรับฟังผู้อื่นแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการประชุมจากความคิดเห็นผู้อื่นคนที่เข้าร่วมประชุมที่ฉลาดก็จะมีวิธีพูดพูดไม่ให้กระทบกระเทือนใจคนอื่นแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายให้รู้ให้เข้าใจกันอันนีนะ้ก็เป็นช่องทางช่องทางที่ดีก็คือเรื่องการประชุมนี่แหละทำไงจะให้มีได้แล้วทีนี้ถ้าหน่วยงานนั้นมีปัญหาเรื่องขนหน้าอย่างที่ว่า นี่เราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงทีเดียวเนี่ยแต่เรามีความรับผิดชอบที่โยงไปถึงอะไรงี้นะฮะเราก็ถึงกันกับคนในหน่วยงานนั้นเนี่ยที่ว่าดูกันว่าคนไหนพอจะมีโอกาสหรือมีความสามารถในการที่จะมาช่วยให้เสนอแนะอะไรต่างๆหรือว่า ไปแสดงออกในที่ประชุมให้มันเกิดผลที่เราต้องการมีการพูดจารเรืออะไรต่อเลยมันก็ต้องได้ได้วิธีอย่างเงี้ยพอจะเป็นไปนได้ก็คือไม่เข้าที่ตัวเองโดยตรงะใช้บุคคลมาช่วยเอาถ้ามีบุคคลก็เอาบุคคลนั้นเป็นกาลยาณนะมิถีช่วยแก้ปัญหาถ้าไม่ได้บุคคลก็เอาแบบส่วนรวมก็ที่ประชุมนี่แหละ พอจะเห็นแนวทางไหมครับก็พอเห็นครับอ่าเว่าปัญหาก็เรื่องระยะยาวในเรื่องสาคัญการศึกษาระบบการศึกษาเวลานี้ก็ยอมรับกันอยู่ก็พูดกันว่ามีปัญหามากไม่สามารถสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพที่พึงประสงค์ได้เท่าที่ควรก็ถามต่อไป <c oughs> ก็อย่างนี้ครับเพื่แต่ว่าอันนั้นก็คือในส่วนของคนที่เขาออกไปนะครับแต่ว่าคราวนี้พอถามคนในหน่วยงานพอเขาถามว่าพอผมไปถามลูกน้องว่าหัวหน้าเป็นยังไงลูกน้องก็ใส่หัวบอกว่าไม่ได้เลือกในหน่วยงานเดียวกันนั้นอีกไปถามหัวหน้าว่าลูกน้องเป็นยังไงหัวหน้าก็ส่ายหัวบอกว่าลูกน้องไม่ได้เรื่องเหมือนกันแล้วการสังสรรค์ไม่ดีการสื่อสารเนี่ยสำคัญมนุษย์อยู่ร่วมกันก็คือการสื่อสารสัมพันธ์ รู้จักพูดจักจาพพุทธเจ้าจึงได้ฝึกหัดมากในเรื่องการพูดเนะี่ยฝึกพูดยังไงจะให้ได้ผลให้ดนะีมันก็เป็นคุณสมบัติความสามารถของบุคคลไปด้วยและพร้อมกันนั้นมันก็ช่วยสังคมให้ดีเป็นด้วยนะมนุษย์นี่มีควาพวิเศษก็คือพูดได้เพราะ น, นั้นในพุทธศาสนานี่จึงถึงกับ มีสิกขาบทห้ามเลยเคยได้อ่านมาใช่ไหมเนีมีพระประจำภาษากันในชนบทระบอบภาษานี้แหมเราจะปฏิบัติให้เคร่งเพื่อจะให้เคร่งก็ไม่พูดกันตั้งกติกาคนนั้นมาทําหน้าที่นี้ทำตามไปเรียบร้อยแล้วถึงเวลาก็มาทํากันแล้วก็ไม่ต้องพูดแต่และองค์ก็ตั้งใจปฏิบัติตัวเองไปกันเลยกันออกภาษาแล้วก็มา ก็มาเรียกว่าอะไรก็จะมาเยี่ยมมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งทักทายไถ่ถามว่าอยู่กันเป็นยังไงสบายดีหรืออะไรต่างๆพระท่านก็คิดว่าแหมเราปฏิบัติดีเต็มที่แล้วคราวนี้พระพุทธเจ้าชมแน่นจะอวดบอกว่าโอ้ยพรรษาที่แลนี่พวกก้าวทั้งหลายนี่ตั้งใจปฏิบัติกันจริงจังเต็มที่ถึงกับตั้งกติกากันเลยไม่ผู้จ้าเนี พอเล่าจบพระเจ้าแทนที่จะทรงชมทรงติเตียนตำหนิเลยบอกเธอนี่อยู่กันอย่างปัะสุสัต <laughs> <laughs> บอกอยู่กันอย่างกับแพอยาะแกบอกนะแล้วก็บรรยาิศิกษาบทเลยไม่ให้เรียกว่าประพฤตนะิมูควัดเนี่ยมูควัดก็คือการปฏิบัติอย่างคนใบ <laughs> นี่พุทธศาสนาึือสำคัญในศาสนาลัทธิตะก่อนนี่เขาจะมีวัดพวกอย่างเงี้ยเขาถือเป็นการบาเพ็ญพรนะต์บาเพ็ญตบะต่างๆมากมายพุทธเจ้าลมเลิกหมดเลยไม่เอาด้วยพวกนี้กนะ็เป็นมนุษย์ก็ต้องพูดกันแทนที่จะคุณเอาเวลาไปไม่พูดนั่นนะมาฝึกการพูดให้มันดีเนแล้วมันจะพัฒนาชีวิตขึ้นไปเนี่ย เ <c oughs> ปแต่ ว, ว่าเออทำไงจะพูดพอ ด, พอดีพอดีพูดพอประมาณใช่ไหมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่กลายไปพูดมากไปกระเพอะเจอเหลวไหลไร้ประโยชน์พูดดีท่านพอดีท่า น, านเรียกว่ามัณฑาภาษาพูดได้ปัญญานแล้วก็พอดีด้วยก็มีหลักมากเรื่องเกี่ยวกับการพูดจาเพราะนั้นท่านก็ต้องใช้อันเนี้ทยทําไงจะให้มีการพูดจา ถ้าในความเป็นอยู่การทางานประจำวันไม่ยอมพูดเราก็ต้องหาวิธีให้พูดโดยการประชุมนี่แหละตั้งขึ้นมาเป็นกติกาหรือเป็นกฎเป็นระเบียบว่าต้องมีการประชุมอย่างน้อยเท่านั้นสัปดาห์เท่านั้นเดือนต่อครั้งหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เอาการประชุมนี่แหละมาเป็นเครื่องมือสื่อสารในการแก้ปัญหาเพราะการประชุมนี่เป็นตัวสาหรับแก้ปัญหาของกิจการส่วนรวม นั่นก็ไม่มีทางอื่นก็ต้องเอาการประชุมนี่แล้แล้วก็มาคิดวิธีว่าจะเอาอยัางไงที่จะให้การประชุมเนี่ยบรรลุผลที่ต้องการแต่ผู้เข้าประชุมนี่ต้องรู้กันก่อนอย่างที่เขาใช้พิธีล็อบบี้ของฝรั่งนะเขาจะเอาเรื่องล็อบบี้เรื่องใหญ่ใช่ไหมนอันนี้มันก็เป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปประชุมแล้วก็เอามันก็ต้องเตรียมการประชุม เการประชุมก็เรามีเรื่องอะไรพูดคุยกันให้รู้เรื่องก่อนอแล้วไปพูดกันในที่ประชุมมันก็ง่ายขึ้ น, น, นก็เหมือนอย่างบวชเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับว่ารู้กันไปก่อนแล้วก่อนเข้าประชุมการประชุมก็ทําเป็นพิธีตัวพิธีแต่รู้กันแล้วว่าเรื่องนี้เรียบร้อยไม่มีปัญหาก็ไปคล้การประชุมนั้นเป็นตัวลงมติที่สรุปยอดอีกทีหนึง่ง เป็นว่าจบจบการดําเนินการในการสื่อสารทั้งหลา ย, ยก็เอาว่าให้เน้นเรื่องการประชุมแล้วก็หาทางให้การประชุมเนี่ยหนึ่งก็ได้ผลที่เราต้องการในการแก้ปัญหาสองก็เป็นการพัฒนาคนในระยะยาวด้วยไปเลยได้ทั้งสองอย่างนี่ต้องหาคน เรื่องการใช้ภาษาเรื่องพูดจาเนี่ยต้องคิดกันมาแต่ต้นต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กให้ให้พยายามฝึกก็โบราณเราก็เน้นนักหนาเ น, นะนะว่าไงภาษศิต์โบราณน่นปากเป็นเอกเลขเป็นโทอ่าปากเป็นเอกเลยเห็นไหมเอาปากเป็นเอกแ่เลขอย่างเป็นโทหนังสือเป็นตรีเลยนะ <c oughs> เออนั่นสิเนะย ดนั้นปากนี่สาคัญมาก mm hmm. ก็แค่ยังวัสกาลพรามเนี่ย mm hmm. ไปพูดจงกระทั่ง mm hmm. วัดชีเสียเมืองเลยใช่ไหมแคว้นต่างแคว้นเรยอยาบวาจานี่สำคัญมากทำลายก็ได้แล้วก็สร้างสรรได้ยิ่งใหญ่ mm hmm. ก็ฮ mm ิตเลอร์พูดเท่านั้นเองสงครามโลกเลยใช่ไหมค น, นตายทั้งห้าสิบกว่าล้านจัก การพูดของฮิตเลอร์พูดเก่งจริงๆแต่ว่าเป็นการยั่วยุปลุกใจนั้นทำไงเราจะให้ใช้วาจาในทางที่ดีงามนี่ที่สำคัญมากก็นี่แหละในที่ประชุมการประชุมจะช่วยได้เยอะแก้ปัญหาได้การประชุมในพุทธศาสนาก็เน้นมากใช่ไหมเรื่องการประชุมกาอบริหารนิยธรรมก็ขึ้นข้อแรก มันประชุมกันเนือนิดหนึ่งนิดก็คือประจำนั่นเองนะเมื่อประชุมก็พร้อมเรียนการประชุมนะกำกับไว้เสด้วยนะแล้วก็สังฆะก็คือจุดเน้นที่นี่เองสังฆะก็มีการประชุมนั่นเองอนะ่ะก็ชีวิตสังฆะสังฆะสังฆกรรมก็คือการประชุมนั่นแหละเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องพระพระสงค์ก็มีแต่การประชุมนะจะทำอะไรต่ออะไรก็ประชุมกันนะ น่นต้องเอาอันนี้ไปใช้แก้ปัญหาด้วยการประชุมให้ได้ทางระยะสั้นทั้งระยะยาวบางีปัญหาบางอย่างก็อย่างที่ว่าที่ว่าพูดตรงๆกับบุคคลนั้นไม่ได้ใช้วิธีมาประสานกันในที่ประชุมของบุคคลที่รู้กันนะมหาทางมันก็ต้องมีวางระบบอีกอย่างคือถ้าหากว่าเป็นส่วนรวมทั้งหมด เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรก็แล้วการคนในหน่วยงานนั้นถ้าพร้อมใจกันแล้วถ้าเป็นไปโดยชอบธรรมก็ต้องให้มีอำนาจต่อรองกับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าได้ด้วยนี <c oughs> ่ก็อย่างในเรื่องชาดกเนี่ยพระเจ้าแบดินสมัยโบราณเนี่ยไม่ใช่ประเด็ดการนะครับอาดิชาดกจะมีเรื่องเยอะนะข้าวอยากมากแพงเอาละสิ ประชาชนพากันมาชุมนุมที่หน้าพระลานนะเอาละสิพระราชาก็เดือดร้อนต้องสำรวจพระองค์ว่าเรามีความบกพร่องอะไร เ, ออเนี่ยเป็นมาแต่โบราณเลยเราจะต้องมาถือสีลถืออะไรกันใหญ่เลยทีนี้เนยก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างพระเวสสันดรก็ถูกประชาชนขับนะใช่ไหมเออ ประชาชนพากันมาชุมนุมเรียกร้องว่าทำไมพระเวสสันดร น, นี่มาให้ช้างที่สำคัญแก่แว่นแคว้นไปให้แก่รัฐอื่นพระเวสสันดรก็มองว่าคนนั้นประชาชนยังไม่เห็นไม่เข้าใจถึงความคิดของท่านแต่ถึงงั้นต้องยอมรับอ้าวก็ต้องยอมรับมติของประชาชน แล้วตั้งในประเทศตัวเองไปอยู่ป่าอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ทํามาแต่โบราณในสมัยก่อนพุทธการมาแหละมีมาเรื่อยแหละในชาดกมีเยอะเรื่องที่เวลามีปัญหาอะไรของบ้านเมืองแล้วประชาชนจะมาชุมนุมกันที่หน้าพรานนะีและพระราชาจะต้องสํารวจพระองค์อันนี้มันก็เป็นปร ะ, ประชาธิปไตยอยู่กึ่งๆนะเอ พระเดชการจริงๆเนี่ยเพิ่งจะมายุคยุคหลังๆนี่แหลนะราชาสมัยเดิมไม่เขเหมียมนานมากแล้วก็ยังสมัยพุทธกาลเองก็ยังเหลือแคว้นที่ปกครองได้วิธีที่คนไทยไม่เรียกสามัคคีรมฝรั่งเรียกเป็นริพับลิกสาธารณรัฐก็คือผู้ปกครองก็หมุนเวียนก็แคว้นวัาชีนี่เป็นตัวอย่างเป็นแคว้นมหาอำนาจที่ยัง เหลืออยู่ที่ปกครองแบบนี้ก็คือมีกษัตริย์เขาเรียกว่าฤชวีเป็นเจ้าฤชวีมาปกครองกันโดยมีทั้งหมดจะ้าะไรเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหรืออะไรทละนีนะ่แล้วก็หมุนเวียนไปเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดนี่คือจำนวนเต็มแล้วในนี้ก็หมุนเวียนไปพวกนี้ต้องมาประชุมกันเวลามีเรื่องของส่วนรวม การที่จะทําสงครามกับต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยนะหรืออย่างตอนพระพุทธเจ้าปรินิพานนั่นก็พวกมัลละมัลลานี่ตอนนั้นตกเป็นเมืองขึ้นคนที่อื่นไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีการปกครองตัวเองอยู่ในส่วนของตัวเองเมื่อมีข่าวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานในแคว้นของตัวเองพวกกรรษัตริย์มัลละก็ต้องมาประชุมกันเพื่อจะตกลงว่าจะจัดการเกี่ยวกับพระบรมศพยอย่างไรน ก็ต้องเป็นมติที่ประชุมเขาก็ใช้กันอย่างเงี้ยนี่ก็ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือแคว้นวัดชีที่เหลืออยู่ก็มาเป็นคู่แข่งกับแคว้นมครดเลยนใหญ่มากวัดชีนีม่มีอำนาจมหาศาลพระพุทธเจ้าถึงได้จัดตือนไวง้งนะจัดวัดชีอปริหานิยธรรมนะจัดให้แก่พวกวัดชีก่อนแล้วก็ัดแกสพสง่งก็เป็นวัชีอปริหานิยธรรมจนก็ ชุดหนึ่งแล้วก็ภิกข u อปริหญญยธรรมหลายชุดขอพระภิกษุนี่หลายชุดเลยมีภิกข u อปริหาญญยธรรมเจ็ดภิกข u อปริหานิยธรรมหกก็มีนะไม่ใช่พาะเจ็อย่างเดียวนี่พวกวัดฉีในการใช้วิถีเนี่ยประชุมกันแล้วก็มีการฝึกซ้อมอะไรต่ะงๆกันเก่งมากแควนมคตแม้เป็นมหาอํานาจจะเป็นราชาติปไตยเนี่ยก็ขั้นคลามอยู่ พระเจ้าชาตสศัตรูนี่คิดหนักหนาทำไงจะเอาแคว้นวัดฉีดลงให้ได้แล้วแคว้นก็อนณาเขตก็ติดต่อกันด้วยเนี่ยจะยกทัพไปสู้อย่างเชิงวัะสการพรามก็ไปฟาพุทธเจ้านก็เท่ากับพุทธเจ้าปรามว่าเราเคยแสดงธรรมถามคือตรัสถามพาณนชย์ สมัยหนึ่งเมื่อครั้งนั้นเราเคยแสดงธรรมแก่พวกวัชีไว้นว่าอย่างนี้ถ้าตราบใดวัดชียังรักษาหลักการนี้ไว้ไม่มีทางที่ใครจะเอาชนะได้อันนี้ก็ทำให้วัดสการพรามนี่ไปปรึกษากับพระเจ้าชาจะศัตรูไม่ได้ต้องยังไว้ก่อนยังสงครามนี่ พระพุทธเจ้าพรวัชการาพราบกลับไปเนี่ยตัดให้ว่าอานุนเรียกประชุมสงฆ์เล ย, เยแสดงเหตุการณ์ใหญ่แล้วเขาจะเอาไงนะผมก็ประชุมสงฆ์แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ตัดย้ำเรื่องหลักธรรมเรื่องอภิริหารนิธธรรมก็เท่ากับว่าให้ข่าวมันออกไปถึงประ ว, วชิรด้วยเลยใช่ไหมเอออันี้ก็ให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่าย ใครจะอยู่ใครจะไปรักษาตัวเองกันละกันฉันบอกเธอแล้วเนี่ยวัชีก็เท่ากับบอกว่าพุทธเจ้าตรัสในที่ประชุมว่าพระ อ, องค์ได้ตรัสแก่พวกวัศการลพรา์ไปอย่างนั้นแะเน่เอ้าวก็หน้าที่ของเธอต้องรักษาไว้ดีนะใช่ไหมเออเนี่ยอ่าทีนี้ก็ใครจะแน่กับใครก็เอาสิในฝ่ายวัศการลพรา์นี่ก็ เอายังสงกล่าวมันก็คิดอยู่นั่นแหละทําไงจะแก้ไขถ้าอย่างนี้มันต้องทําลายสามัคคีของพวกกษัตริย์ลิข ว, วีให้ได้ก็เลยคิดแผนกับพระเจ้าชาตศัตรูที่ว่ า, ากลายไปว่าทําอุบายเป็นว่าวาสการพรามนี่ทําอะไรไม่ถูกพระไทยพระเจ้าอาชาตศัตรูก็เลยลงโทษเขียนตีให้เสียงข่าวหมดออกไปเนี่ยเก็ไล่เอาไปนี่ วัสการพรามก็เลยไปขอพึ่งกษัตริย์ฤาษีทา่านนก็ดีใจว่าโอ้นี่มหามาตยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงมากเก่งการเหลือเกินนี่แต่กระทานนูนมาอยู่กับเราก็ดีสิใช่ไคิดในทางที่ด้านเดียวคิดผิดรับเข้าไว้พออยู่แล้วทีนี้ฝ่ายวัสการพรามก็วางแผนทำลายวาความสามัคคีก็เป็นพวกครัวจาน เพราะวัดชีก็ต้องการให้ลูกหลานมีความรู้ก็เลยให้วัดสการอปพรามนี่เป็นอาจารย์สอนกกสอนแกก็เสี้ยมสอนเะยต่างๆทำให้ยุแยกไปถึงพ่อแม่แตกกันไปหมดนะก็เลยเกี่ยงกันไปหมดนะก็เลยสนที่สุดสงครามมาก็เลยวัดชีก็สลายอันนี้ก็ เนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะฉลาดกว่ากันหละก็ทำได้แค่นั้นทำได้แค่ให้รู้ว่ารักษาตัวไว้หลักการมีอยู่แล้วเมื่อตัวเองรักษาหลักไม่ได้ก็จบในพุท ธ, ธกาในี่เป็นยุคที่ก็ยังแข่งขันแย่งชิงอานาจกันในที่สุดราชาธิปไตยก็เป็นใหญ่เป็นการปกครองในแถบแตะวันออกนี้ ไม่มีเหลือนะเหลือแต่มีแต่ราชอาทิตยไตยสมบูรณาญาสิทธิราชมาจนกระทั่งมาได้ระบบของตะวันตกมาอีกทีของตะวันตกก็เหมือนกันเนะ่ยริพับลิกของโรมันเนยะใช่ไหมในที่สุดก็ลม่มก็ต้องกลายเป็นจักรพรรดิกตอนจะูเลียสซีซาร์นั่นก็ยังเป็นริพับลิกแต่ในที่สุดก็ชิงอํานาจการในริพับลิกนั่นแหละเนีย ซีซ่าเองก็โดนฆ่าโดนรอบฆ่าแล้วก็มาหลา น, นออกัสตสซีซ่าเนี่ยเตีจูริโอซีซ่าตั้งให้เป็นทายาทแล้วก็ได้ตั้งตัวขึ้นมาสำเร็จแล้วไปลบปราบอียิปต์ลงได้คลีโอพัตตาตราดก็มาร์กแอนโทนีตาย อกัสริยีซาก็เลยได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิองค์แรกของจกักรวรรดิโรมันก็เปลี่ยนจากรีพับลิกจากสาธารณรัฐสาธารณรัฐก็ไม่มีมาอีกนานเนี่ย mm. คนนี้ก็นี่เลยเป็นเรื่องของมนุษย์สภาพของสังคมมนุษย์ก็แสวงหาทางกันไปพร้อมกันนั้นก็มีกิเลสก็แข่งขันกันไปแย่งชิงกันไปด้วย นี่ก็พยายามที่จะตั้งระบบที่มันจะมาจับ ก, การที่จะคุมคนให้ไม่สามารถที่จะมาตั้งตัวขึ้นมาเป็นใหญ่มีอํานาจผู้เดียวได้นีประชาธิปไตยก็พยายามตั้งระบบอันเนี้ยนีก็ระยะ น, นี้ก็นำวิญญาณ ย, ยืดพอสมควรนะนี่ว่าทําไงจะพัฒนาคน ให้มีจิตใจเป็นประปิปไตยแล้วก็จะได้รักษาระบบประชาธิปไตยไว้ได้ถ้าว่าคนไม่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยไม่มีคุณภาพในที่สุดประชาธิปไตยก็ล้มเหลวเป็นหมาชนที่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตัดคนโง้พันคนประชุมกันอยู่พันวันคิดไม่ออกคนฉลาดคนเดียวมาปั๊บเดียวบอก แก้ปัญหาได้เลยใช่ไหมประชาธิปไตยก็คนโง่หมู่มากก็ไม่ได้เรื่องได้ียวเลยพราะนั้นมันต้องพัฒนาคนประชาธิปไตยก็คือต้องให้คนจํานวนมากส่วนใหญ่เนี่ยมีคุณภาพมีสติปัญญาเนี่ยก็เคยพูดบ่อยๆสมัยก่อนนี้คือเสียงส่วนใหญ่ไม่สามารถตัดสินความจริง ตัดสินได้แต่ความต้องการว่าเราจะเอาอะไรใช่ไหม mm. ก็เคยยกตัวอย่างบ่อยๆสองร้อปีก่อนนั่นคนถึงมีสักพันล้านว่าก็ไม่รู้สมัยนั้นถึงยังไม่รู้ไม่รู้ละกี่ล้านกันแล้วแต่ต่างก็บอกว่าโลกแบนโลกแบนทุกคนคนเดียวบอกว่าโลกกลม ล้ากฏว่าคนเดียวถูกใช่ไหมเสียงข้างมากจะไปลงมติตัดสินความจริงได้ไงมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้เอาเสียงข้างมากไว้ตัดสินความจริงไอ้ความจริงมันอยู่ที่ต้องรู้เนยไอ้คนมากมายมันไม่รู้มันก็ไม่จริงอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่รู้ดังนั้นถ้าพลเมืองมากไม่พัฒนาไม่มีสติปัญญาเหลว แล้วก็ไม่ดีทั้งหมดการศึกษาพฤติกรรมจิตใจปัญญาไม่ดีสักอย่างในที่สุดประชาทิปฎิได้ก็เสื่อมไปไม่รอดนั้นต้องมีความไม่ประมาทตลอดนินมาหน่งหน่วยงานต่างๆก็นี่แหละเป็นตัวอย่างของกายรปกรครองประชาทิปฎิได้ว่าเวลานี้อยู่ในสภาพอย่าง ถ้าในหน่วยงานเป็นอย่างนั้นมันก็ส่อสแสดงถึงสภาพประชาธิปไตยของประเทศนี้แหละซึ่งเตือนเราแล้วว่าต้องไม่ประมาทต้องคิดแก้ไขอยากที่ว่าระยะสัน้นระยะยาวระยะสั้นก็หาทางเอาระบบเนี้ยระบบของประชาธิปไตยก็คือระบบการประชุมนี่นะเอามาแก้ปัญหาให้ได้ในระยะสัน้นระยะยาวก็พัฒนาคุณภาพของมนุษย์พลเมืองให้ดีน มีทางไหมใช้การประชุมก็น่าจะมีทางแต่ว่าเด็กๆที่เข้ามายุคใหม่เงี้ยนะครับพระเดชพระคุณก็คือเข้ามาก็มักจะทำแค่เฉพาะหน้าที่ของตัวเองที่ระบุไว้ทำแค่นี้ถ้าทำมากกว่านั้นหน่อยก็จะถามว่าจะได้เงินไหมอะไรยอย่างเงี้ยติดใจประชาริษร์ปไตยไม่มีแล้วมันหมดก็ระบบการปกรครองมันต้องการคนที่จะมีลักษณะนิสัยมีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย อันนี้พฤติกรรมาารประชาธิปไตยมันไม่มีแล้วมันจะไปยังไงมันก็ขัดแย้งตัวเองมันก็เห็นอยู่ชัดๆว่าเนี่ยมันกําลังกัดกล่อนตัวเองและสังคมเนี่ยนั้นท่านต้องฟื้นให้ได้ถ้ามองในแง่นี้ก็การแก้ไขปัญหาในหน่วยงานหรือองค์กรตัวเองเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาส่วนรวมนั้นท่านต้องคิดแก้ น, นีนให้ได้ก่อนต้องพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้ฟื้นขึ้นมาในองค์กรของเรา เอาประชาธิปไตยการประชุมนี้ขึ้นมาก็สังฆะพุทธศาสนานี่ก็อย่างที่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากนะไม่มีหรอกก่อนพุทธกาลนะคำว่าสังฆาเนี่ยเป็นคำที่แปลกอยู่แล้วคือพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาหนึ่งในบรรดาลัที่มากมายในพุทธกาลนะแต่แปลกว่าไม่มีในรัฐที่ศาสนาอื่นคำว่าสังฆาเนี่ ย, เ, ยเออ เป็นระบบที่พระเจา้ามาตั้งขึ้นที่เป็นความริเริ่มใหม่แล้วก็มีระบบมีไอ้ประมวลกฎหมายมีปาติโมกอะไรต่างๆเนี้ย น, นะนี่นักบวชสมัยนั้นก็ว่ากันไปคล้ายๆว่าสารพัดหลากหลายต่างแบบต่างพวกอะไรต่ออะไรมีพัญญามีครอบครัวก็มี นะไม่มีก็มีนะแล้วก็มีลัทธิความเชื่อถืออะไรต่างๆหลากหลายนะอย่าคิดว่าเป็นนักบวชแล้วถือพรหมจรรย์นะเป็นนักบวชในสมัยพุทธกาลก็มีทั้งพวกมีครอบครัวไปอยู่ด้วยกันหรือว่าเป็นนักบวชแล้วนั่นแหละเลยยิ่งมีคนบํมรเยอะเลยอไรอยนะ่างนี้ แล้วประกอบการค้าก็มีเนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นชะดินนะแต่เป็นพ่อค้าใหญ่เนะี่ยเป็นปริพาชกก็มีคู่ครองมีพันยาเนะแล้วก็มีนางบำเรืออะไรก็มีนะเนี่ยสภาพสมัยพุทธการพระพุทธเจ้าทรงเห็นตอนแรกก็ไปประเพนญตะบะอะไรอะไร ก, ก็เขาก็ได้เห็นหมดมัน ไม่ไหวนะตบะนี่เป็นความนิยมมากในยุคพุทธกาลพระ เ, เจ้าละเลิกมานั่นคนไม่ค่อย น, นึกว่าพุทธศาสนานี่ถือหลักยังไงเกี่ยวเรื่องความสุขก็เลยพูดสันิดหนึ่งคือพวกบำเพ็ญตบะเนี่ยโดยเฉพาะพวกนิครณเนี่ยเขาม่หลักเขาถือว่าความสุขไม่สามารถบรรลุถึงได้ความสุขความสุข จะรู้ถึงไ ด, ได้ด้วยความทุกข์เท่านั้นะฉะนั้นต้องบำเพ็ญตําบะอนี้พระเจ้าก็เล่าว่าพระองค์เองก่อนที่จะเสด็จออกพนกุ่งก็มีความคิดอย่างนี้ว่าความสุขจะรู้ถึงได้ด้วยความทุกข์จะรู้สึกได้สุขไม่ได้จึงได้เสด็จออกพนกุ่งแล้วก็ไป ศึกษาในสำนักอาราระดาบทอุกตกรดาบทแล้วก็ไปบัมเพนตบาอะไรต่างๆในที่สุดก็ส่งสรุปว่านี่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางแห่งโหธิว่างั้นนะแล้วก็ทรงพิจารณาว่าทางอื่นคงมีว่างันนะแล้วก็ส่งพิจารณ า, างงนะแล้วก็จะลกึกถึงที่พระองค์ประทับนั่งเมื่ อ, อยังเป็นเด็กเป็นราชกุ ม, มารพระชนมเพียเจ็ ที่วนนั่งไต่ตนว่าแล้วก็ได้ความส ง, งัดเงียบก็ได้ปฐมฌานองเราลึกแล้วก็บอกว่านี่เป็นทางแล้วยังถามพระองค์ว่าเรากลัวไหมต่อความสุขแบบนี้แล้วตอบพระองค์ว่าไม่กลัวก็จึงเริ่มทางนี้นั้น พุทธศาสนานี่ก็คือแนวคิดที่มายอมรับว่าความสุขบรรลุถึงด้วยความทุกข์แต่ถือว่าสุขบรรลุถึงด้วยความสุขว่างั้นในพุทธศาสนานะแต่เป็นสุขที่พัฒนาอีกแบบหนึ่งแล้วก็ถือว่าความสุขที่พัฒนาได้มากมายแต่ความสุขที่พระ อ, องค์ตรัสในที่นี้เรียกว่าความสุขที่ปลอด คามปราดอากุศลและเป็นอิสระจากความสุขด้วยหมายความมีความสุขตลอดแม้ในการปฏิบัติและบรรลุถึงความสุขแต่ทั้งหมดนั้นไม่ตกอยู่ใต้ความครอบงาของความสุขนะความสุขครอบงำไม่ได้ด้วยอะไรด้วยปัญญานะมีปัญญาที่จะเป็นอิสระทำจิตให้เป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแม้ต่อความสุขนะ แต่ก็มีความสุขเต็มเปี่ยมคือไม่ให้ความสุขเป็นพิษเป็นภัยด้วยแต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธความสุขไม่เหมือนรัที่สมัยนั้นราชที่สมัยนั้นเขาปฏิเสธความสุขทีนี้คนไทยเราจะพุดเองบางทีก็ไม่ได้ชัดเจนในเรื่องนี้มองพุทธศรนาเ์พุทาศรนัยความทุกข์ก็เยอะเลยเนี่ยอะไรแต่อะไรก็พูดถึงความทุกข์เน่ พอพูดถึงเอพุทธศาสนาสอนโน่นก็ทุกนี่ก็ทุกใช่ไหมน่อริยสัต์ข้อ น, นึงก็ทุกเหมือนกันทุกข์ขังอริยสตัตอย่างก็เลยฝรั่งมาอ่านคำสอนพุทธศาสนาโอ้พุทธศาสนานี่เป็นเพลสิมิสซึมเหมือนกันมองโลกในแง่ร้า ย, ายอะไรอะไรก็ทุกไปหมดชาวพุทธเองก็ชี้แจงไม่ถูกฝรั่งว่า น, านี่จริงนี่ พุทธศาสนาสอนนั่นก็ทุกนี่ก็ทุกเอ๊ฝรั่งว่าถูกเรานี่ไม่ได้เรื่องเป็นเพลสิมิสเนออะไรอย่างเงี้ยต้องชี้แจงได้เนอะเป็นยังไงล่ะชี้แจงยังไงทุกขังอริยสัจจางอย่าลืมนะต้องต่อปริญญาอย่างนะทุกข์งอริยสัจนี้เป็นสิ่งที่จะต้องปริญญานอะรู้เข้าใจรู้เท่าทัน ทุกนั้นสำหรับปัญญารู้เท่านั้นเราไม่มีนาทีเป็นทุกเนทุกไม่ใช่เรื่องของจิตใจทุกเป็นเรื่องสำหรับปัญญาท่านต้องจัดการกระทุก์ด้ปัญญาอย่าให้มันเข้ามาหมกในจิตใจอย่าให้ทุกเข้ามาหมกในจิตใจไป si อนันขาดจผิดชนเอาเนี่ยก็ฝากวามว่าทุกมาต้อง ร, ญญรับหน้าด้ปัญญาเนยเอาปัญญารับหน้ามันเนแลวจัดการด้ปัญญา อย่างนี้ถูกนี่คือพุทธศาสนาหนหน้าที่จะทุกข์ก็หน้าที่ของปัญญาเท่านั้นนะไม่ใช่หน้าที่ของจิตใจนะท่านแยกให้จิตใจไม่มีหน้าที่ไปทุกข์ใครเอาจิตใจไปทุกข์ก็เสร็จนะแย่และอย่าเอาทุกข์มาหมกไว้ในใจส่งให้ปัญญาไปจัดการนะก็แปลว่าชัดพระพุทธเจ้าตัดไปชัดหละสุขเป็นเรื่องของจิตใจได้ แต่ว่าทุกเป็นเรื่องของปัญญานะถ้าใครไม่มีปัญญาก็แก้ทุกไม่ได้ใช่ไหมนะต้องแก้ด้วยปัญญาถ้าคือนเอาจิตใจไปอยู่กับทุกยแย่เลยตันนะแล้วก็ทุกก็เพิ่มขึ้นอัดอั้นบีบคั้นไม่รู้จักจบนั่นก็ต้องจํากิตอริยสัจให้แม่นนะได้ทุกรูปนะฮะกิจต่ออริยสัจนะ ทุกขังอริยสัจจังปริญญัยยังนีทุกอริยสัจทุกเป็นสิ่งที่ต้องปริญญาแล้วก็ทุกขะสมุทยัยโยอริยสัจจังประหารตับพังนีทุกขะสมุทัยนั้นต้องประหารก็คือละกําจัดกําจัดเหตุแห่งทุกแล้วก็ทุกขะนิโรธโยอริยสัจจังก็สัจจิกาตับพัง เป็นสิ่งที่พึงสัจชิกิริยาก็แปละว่าทำให้ประจักษ์แจ้งทำให้เป็นจริงให้ให้เกิดมีขึ้นมาจริงจริบรรลุถึงแล้วก็ทุกขะนิโรธขามิมีปฏิปทาอริยสัจจังก็ภาเวตับพังเนี่ยมรรคก็ต้องภาวนาก็คือปฏิบัติลงมือทำแล้วก็แยกภาวนา ก็คือจเจริญายสิกขาให้เกิดเป็นภาวนาสี่กายภาวนาสี่ลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาหลักสี่ประการภาวนาสี่เนี่ยใช้ได้หมดทั้งโลกนี่แหละนะฮะพัฒนามนุษย์ก็อยู่ในนี้อ้าวเลยพูดเรื่อยไปท่านมีอะไรถามต่อจะพอเห็นทางก็เอาแล้วนะมันก็ย่องยอมรับความจริง ว่ายากแต่ยากต้องสู้เงินจะไปทอเอาระบบเนี่ยประชาธิปไตยนี่เราอยู่ในระบบนี้ก็ต้องเอาวิธีประชาธิปไตยไปแก้มันนะระยะสัน้นระบบการประชุมท่านเอกพงศ์ก็ถามแล้วนี่ปัญหาวันก่อนถามทีแล้วลท่านปรมัตณมีอะไรไหม <c oughs> เอออที่จริงน่าจะถามให้ครบองค์ระยางน้อยคําถามหนึ่งนะ ถามอะไรก็ได้สบายๆแล้วเดี๋ยวให้เวลาท่านปรมาจิค่อยๆนึกคำถามเ่าอะไรก็ได้วันนี้วันหน้าก็ได้